วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2526เวลา5นาฬกา45นาทีหลวงปู่ก็พรณภาพด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุสิทธิ์ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักในเวลานั้นเพราะเป็นตอนเช้าพระก็เริ่มออกบิณฑบาตประชาชนก็ยังไม่มีมากที่กุฏิใหญ่ที่ท่านพักเป็นประจำในวัดถ้ำกรองเพลนอำเภอหนองบัวลพูจังหวัดอุดรธานี เมื่อขามรณภาพท่านแพ่กระจายออกไปข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระเนรทราบต่างก็ลังไหลายมากราบเยี่ยมสัพท่านเป็นจำนวนมากจนไม่อาจพนานาทางจังหวัดได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสำนักพระราชวังโดยด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นศพในพระบรมราชาุเครห์โดยตลอดเวลาเก้านาฬิกาได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบําเพนกุศลที่ ศาลาเมตตาอนาลโยโดยเปิดโอกาสให้สัาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสาการรถน้ำศพในวันที่16พฤษภาคม2526เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส, สยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาพระราชทานน้ำอับศพและทรงเป็นประธานในงานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ ไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและตั้งศพ บ, บาเพ็ญพระราชกุศลเจวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโกโถฉัดเบญจาตั้งประดับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระราชทานเงิน4ี่แ 0,000 บาทเป็นค่าอาหารถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดเจวันด้วยกําหนดการงานศพของหลวงปู่ขาววันที่1 7บเถึงยี พฤษภาคม2526เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชาุเคราะเป็นเจ้าภาพสวดศพส่วนทางราชการจังหวัดอุดรธานีสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมเวลา8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นถหวายพัทหารแด่พระพิสุสงฆ์โดยราชการหน่วยต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและสลับกันไปฟังสวดพระอภิธรรมและคอยดูแลความเรียบร้อยของงาน ภายใต้การอํำนวยการของนายสมภาพศรีวรขันผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายธน ว, วัตรวีรธรรมภูลสวัสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวันที่1ิพฤษภาคม2526เวลา16บหนาฬิกาพระราชทานน้าอาบศพบรรจุเข้าโกรดวันที่21พฤษภาคม2526เวลา14บสนาฬิกานายพิศาลมลศาสาธาปรปหลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ไปคารวะศพหลงปูขาวรับพระราชทานโปรดเก้า ว, วางรีดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราชายาทรงร่วมทำบุญฟังสวดพระพิธรรมวันที่22พฤษภาคม2526เวลา15นาฬิกาพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปคารวะศพท่าน วันที่23สพฤษภาคม2526รพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบำเพ็ญพระราชกุศลครบวันที่7ทรงพระราชทานมอบให้นายสมภาพศีวรคารผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศลต่อไปโดยพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคาถาในพระพิธีสวดพระิธรม หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจุมพัวทรงราชานุเคราห์เป็นเจ้าภาพโสดศพครบเจ็ดวันแล้วได้มีสิทธิยานุสิ์มาจองเป็นเจ้าภาพโสดพระ พ, พิธีธรรมสืบต่อกันไปไม่ได้ขาดเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2526ดเรเฉาณศิรวันองค์มนตรีคุณเนเทศคุณกิมเตียวเอียสกุลอาจารย์สรนเสริญและอาจารย์สมาลิอุทธยเฉลิมเป็นเจ้าภาพและมีผู้จองเป็นเจ้าภาพโสดพระ พ, พิธีธรรมต่อไปจน ถึง50ถึงร้อวันมิได้ขาดและจะมีต่อไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงโดยเฉพาะในรอบเจ็ดวันทุกๆวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชทานราชาลุเคราะห์เป็นเจ้าภาพตลอดไปจนถึงวันพระราชทานเพลิงกําหนดการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวอนารยโยคณะกรรมการประชุมเลือกเอาพลานหินซึ่งเป็นเนินสูงและกว้างขวางเหมาะกับประชาชนจํานวนมากที่มาในงานเป็นที่พระราชทานเพลิงศพท่าน ที่ดังกล่าวนี้อยู่ในบริเวณวัดถ้ำกลองเพนแต่อยู่ด้านตะวันตกห่างจากถ้ำไปประมาณกิโลเมตรกว่ามีทางรถไปมาได้รอบทิศรอบด้านรถไม่สวนทางสายเดียวกันเวลากลับจากที่พระราชทานเพลิงการกําหนดวันพระราชทานเพลิงกําหนดเอาวันที่11กุมภาพันธ์2527เป็นวันพระราชทานเพลิงเริ่มงานวันที่10 11 12กุมภาพันธ์2527 คณะกรรมาการที่รับผิดชอบในงานนี้และคัดเลือกสถานที่พระราชทานเพลิงคือ 1. สมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารกทม 2. พระอาจารย์มหาบัวยาณสัมพโนวัดป่าบรรดาอุดรธานี 3. พระอาจารย์บุญเพงเขมาพิระโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำคลองเพลงนอุดรธานี 4. พระเทพสุเมธีเจ้าคณะภาคสิทธิ์ 5. พระศรีธรรมวงศสาจารย์อุดรธานี 6. นายสมภาพศรีวรขันผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 7. นายธนวัฒน์วีรธรรมภูมิสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 8. ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกสิงเก้ 9. ร้อยเอกวีรพันธ์จังคสิรินายอำเภอหนองบัวลำภูสถานที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เขาแห่งนี้ เมื่อเสร็จจากการพระราชทานเพลิงศพผ่านไปแล้วจะใช้เป็นที่สร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่ให้จีรังถาวรต่อไปเพื่อเป็นปูชนียสถานที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธตลอดกาลนานการเขียนประวัติของปู่ท่านก็คงจะยุติเพียงเท่านี้เพราะได้เรียนไว้แล้วแต่ต้นว่า ท, ทุกวันนี้สุขภาพไม่ดีโรคกําเริบบ่อยสัญญาขันเหลวหลายงานการยุ่งมาก พยายามแยกอุปสรรคที่กล่าวมาเขียนพอเป็นปากเป็นทางเพียงเท่านั้นเองไม่ละเอียดละออทั่วถึงตามความเป็นมาของท่านนับแต่วันบวชมาจนถึงวันมรณะภาพเลยองเล็กเปิดวันท่านนิพานใครจะว่าหลวงตาบัวเป็น บ, บ้าก็ว่าได้ไม่ขัดไม่แยง้งพอใจเป็นบ้ารดยความสมัครใจวงเล็กปิดจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายโดยทั่วคันเช่นเคยขอความสวัสดีมงคล จงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกันเทิน